ถ้ายังไม่รู้ค่าของผู้ให้กำเนิดชีวิตเราดีพอตาแลแม่เราป่วยไขย้ด้วยใจอยากป่วยแทนท่านฝากฟ้าดูแลแทนกันในวันแม่ค่าลาดินดังตรินสิงหาคม พุทธศักศราช 2,550 บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรนรีโซพาติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินได้ที่ dantrin.com u n g t r i n D o t c o m ถ้าน้ำนมำควนชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเพรียบดังพื้นฟ้าหน้าควาแผ่นดินบูดเรียนค่าเคียนจมสิน น้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่